สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิธรริบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เป็นวันเงียบเราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยหกสิบสองซึ่งวันนี้ผมอยากจะขอมอบพระคมภีสี่ตอนให้กับพี่น้องเพื่อที่จะไขครวนตอนแรกอยู่ในพระธรรมโรมบทที่ห้าข้อที่หกผมจะอ่านให้ฟังขณะเมื่อเรายังอ่อนกําลังพระคริสสิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม ข้อพัอมพีข้อนี้เราสามารถอธิบายได้ว่าเวลาที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีก่อนนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้แล้วขณะที่โอเทสเมนพันธสัญญาได้ปิดลงปิดลงหมายความว่าได้มีการทำสังขยาและเกิดการยอมรับสาระบบของพระกรมภีรก็ปิดคือ39เล่มแล้วพระเจ้า รัสสุดท้ายผ่านทางพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลังพระคริสต์ทรงชินพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมพระเยซูได้เสด็จมาในใจกลางของปอดศาสตร์และเพื่อพระองค์จะทรงประทานให้ร่างกายของพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่ทรงไม่มีบาปให้บาปดังในพระธรรมสองโครินท์บทที่ห้าข้อยี่สิบเ็ดผมจะขออัญเชิญมาอ่านให้ฟัง พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พระเยซูเป็นผู้เดียวที่ถูกกำหนดไว้จากพระเจ้าพระบิดาให้เป็นผู้ที่ทำให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมในขณะที่กระบวนการการทำให้เราเป็นคนชอบธรรมนั้นพระเยซูคิดเองนะครับจะต้องรับแบกบาปของเราผู้ทรงไม่มีบาปโปร่งทรงกระทำให้บาปเพราะเห็นแก่เรา พี่น้องเห็นความรักของพระเจ้ามากมายผ่านทางการกระทําของพระเยซูหัวข้อที่สามเป็นข้อเพิ่มพีที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมการลาเทียบที่สองข้อยี่สิบข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าข้อความนี้เป็นข้อความที่คริสเตียนส่วนมากก็ท่องได้นะครับว่าตัวเองขอไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่ขออยู่เพื่อพระเยซูและชีวิตที่อยู่นี้เป็นชีวิตที่พระเยซูครอบครองครับแต่นั่นหมายความว่าเราต้องยอมจำนนมอบถวายชีวิตยอมปรนนนาตัวผูกพันอยู่กับพระเยซูและพระเยซูจะใช้ให้เราไปทําอะไรแล้วก็สมควรจะทําอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสําหรับเราแล้วเราแล้ ว, ล ว, ลวไม่มีอะไรเหลือครับแต่เหลือน้อยที่สุดเป็นการดีไม่มีอะไรเหลือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ข้อความทีสุดท้ายอยู่ในพระธรรมวิวร์บทที่ห้าข้อที่หกและข้อที่สิบสองข้าพเจ้าเห็นพระเมสสปโฎกยงทรงยืนอยู่เหมือนดังถูกปรงพระชนแล้วพระเมสสปโฎกผู้ถูกปรงพระชนแล้วนี้นั้นทรงสมทวนได้รับฤทธานุภาพทรัพสมบัติพระปัญญาพระกำลังพระเกียรติพระศิริและคําสะดุดดีพระธรรมวิวร์นั้นเป็นนิมิตที่ยอนนั้นได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเมสสโปโดกหมายถึงพระเยซูย้อนนั้นได้เห็นพระเยซูยืนอยู่นะครับเหมือนดังถูกปลงพระชนแล้วหมายความว่ายืนอยู่ในฐานะของพระผู้ไถยพระผู้ช่วยรอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีคําสารเสริญเยืนยอบพระเยซูบนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิดว่าเพราะพระเมสโปโดกผู้ถูกปลงพระชนแล้วนั้นสมควรสมควรจะได้รับฤทธานุภาพทรัพย์สมบัติและพระปัญญาพระกําลังพระเกียรติพระศิริและสง่าราศี หนึ่งคือริธานุภาพสองคือทรัพสมบัติสามคือพระปัญญาี่คือพระกำลังห้าคือพระเกียรติหกคือพระสิริและเจ็ดคือคำสรุป ด, ดีพระเมสสุรดกของเราได้รับทั้งเจ็ดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นคือพระเมสสุดดกเป็นผู้สมควรแก่การสรรเสริญพี่น้องครับชีวิตของเราได้ควรคู่แก่การที่เราจะเป็นคริสเตียนที่จะให้คนอื่นมองแล้ว เขาจะสันเสริญพระเยซูของเราหรือเปล่าครับขอจงใข่ควรดูอาเมน